เอาไปติดไปยึดไม่ใช่ติดไติดเรื่องทำงานไม่ใช่แต่เนี้แบบเป็นงนไม่ไม่ได้ปนงานางาี่หน้ามีสองข้างทำงนปรุงหลอกพวกเราพวกขันทำานี่มีขันตรงน้รุงหลอกสระกอบมาไม่ได้ไมามีความอค่ับ เินหลักแล้วหลักแล้วผว่าผมผเพื่อนเพื alone, <in ced, ่อนเพื่อนเอน่านนเพื่อนเพืหนเพ่อนเพื่อนเพอนเอนเพาอเพื่อเพนเพื่อเพืนเือนนเือพ่นอ่เน่่อนนเพนนนน มองดูที so so ่หนกเห็นแต่พระาลบ้ายเลยเดินกับตุกตาจต่ของเองปรุงหลอกแต่ของมองไเห็นแต่พระไล่บ้ายผมชอพูดชอบนังเลยนะมันถึงใจดีสนุกด้วยนะเอแล้วเอือดจริงๆนะคุณวัญคุณอาจารย์รคเจ้าแล้จรย์เต็มขึ้นในใจเองนะอาจารย์ุเ้าต้องง ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยไม่มีใครบอกใครสอนเลยอันนี้หนามแน่นยิ่งกว่าสัตวโลกมันรายใดที่จะถุดโผลขึ้นมาได้พระพุทธเจ้าทรงโผลขึ้นมาได้สามารถจะกันนี่สยามภูมิแกลกสบายจุการทุกอย่างทรง คนขวายเองรู้ก็รู้ของนละเองมีใครบอกใครฟังถนน้าจะคุณถ้าแล้วในเรียนสารตะเรียนน้ามันก็พวกกันเข้าใจเป็นอย่างภาษาจบุตรว่ามาเชื่อกุลีฆ่าท่านท่านเจ้าคุณก็เห็นใช่ไหมครับนั่นแหละนี่ยตรงนี้ตรงปัญญาที่เกิด ข, ขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วรู้นอย่างนี้เนี่ภาษาจุบุตรรู้อันนี้แล้วพระที่ตาบอดทั้งหลายมาหาว่รราภาษาจบุตรมาเชื่อกุลีฆ่าดูถูกกุลีฆ่าไปงั้นจะพวกตาบอดนะ พอาุณเจ้าคนรับสั่งว่าง่ายใชา้บุ่นเปนครับมเราไม่เชื่อเราถากก็ใช่ไหมใช่พ่ลายนั่นถามเห็นใช่ไนหะมใครนี้่ร้าพวงทิ้งงานข้าพวงรู้เองเห็นเองนี่เองไม่เชื่อใครเชื่อมาสั่นี่นะเอออาจใชา่ถูกแล้ว อ, อันนี้เองมันนี่อุออกุกตั้งแล้วสาธุถ้าภาษาตลบหลวมันพวก บ้านี่อะไรเราเป็นเรื่องนั้นแหละมันเกิดเรื่องนั้นแกล่บวาเพราะเราไม่มีเรื่องสาริบุลมันมีพวกบ้าอย่าอยู่ว่างั้นภาษาเรานี่อ่ามากกว่เรานีหนักมาก้องให้เราชำหน้าอกความหมายว่างั้นเสื้อเชือกเอ็นฉันชีิโกสันยิโกนี่สําคัญถึงขั้นันดิจโกว่าลัสุดท้ายก็คือการหลุดพ้นของความหลุดพ้นไปแล้วเป็นยังไงทีนีงอันไหนนั่นคาชี้ยิโก ท่านมีโพชุดยอดมีออกแค่นังสือกับมีแล้วเขาพูดถึงเรื่องอะไรอันนั้นที่ท่านว่าพระอรหันต์ท่านเป็นชาคลาชาคลานะเพาท่านตื่นตลอดเวลาอะไรนคนเลยเอาเลยถืออันนั้นมาโปะไปหมดเลยว่าพระาอารหันต์ท่านไม่นอนไปไปอย่างนั้ ท่านยังยังนอนอยู่ไม่ใช่ลปลาหันมันได้ไปอย่างนั้นเลยก็ไปใหญ่แล้วที่นี้อื่มก็เรื่องหลับเรื่องนอนเป็นเรื่องของขันเรื่องระ ง, งับขันชาการล่ามันหมายถึงจิตที่บุดพ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนั่นมันต่างกันการระงับขันการหลับนอนคือการระ ง, งับขันขันมันทํางานทั้งนันความคิดความตุ้มความเคลื่อนไหวไปมามีแต่เรื่องขันทํา ง, งานทั้งนั้นมันก็เหน็ดต้องเนี่ยตั้งแต่รถเราวิ่งไปมันยังต้องมาพักเครื่องเนี่ย อันนี้ขันทำงานงระดับภาะวะแห่งความหลับนี่มันต่างกันภาวะความหลับเป็นเรื่องของขันภาังความหลับปิดกั้บเอาขันที่อาศัยกกิจนี้มันระงับหัวของมันโดยระดับแต่ชาคละนั้นนอกจากขันอยู่แล้วเป็นปกติดโดยธรรมาชาติขันหมายถึงอันนี้เปชาคลาณัตถัง ในนี้เลยไปกวาดเนาะขันทั้งห้ามาเป็นชาคล้าด้วยกันอยู่ไม่ให้ไม่ให้ผราละหันนอ น, นมันตายเล็วกบ้าเ น, นี่ยวะฮะเดี๋ดี๋ยวเวลาจิตที่เป็นชาคล้าจิตตื่นหรือจิตเป็นชาคล้าเนี่ยมันรับผวังคจิตใช่เปล่าอันนั้นเป็นหลักธรรมชาติของตัวเองเลยเป็นประจำเป็นอากาลิกจิตอากาลิกธรรมอะไร อันที่ว่าหลับวัดตื่นนี่มันเป็นอาการมันเป็นเรื่องของขันทั้งนั้นทํางานะระงับตัวอาการเหล่านี้จะเาเข้ามาใส่ช้าระทําไม่ได้<ม>เพียงอาษาเป็นอยู่เท่านั้นเองตางคนต่างอยู่ตามคนต่างอยู่<ม>ถ้าเราจะพูดให้ชัดเจนตามภาษาสมมติเรียกว่าตามคนต่างอยู่ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติของตัวเองเรีย๋ยวเป็นาฐานะกับสิ่งในดทั้งนั้นคุณยังไงนะ ขึ้นที่ว่าสมุนแล้วเป็นในฐานะเข้ากันไม่ได้วางนั้นเลยในหลักธรรมชาติอย่างนั้นทานพะนล้านเนี่ยท่านจะนิพพานท่าใดก็ตามเช่นอุปจิหงที่เหตุอะไรอะไรก็แล้วแต่เถิดน่ะจึงไม่มีปัญหาอะไรเลยเรื่ของขังเพราะนั่นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วเป็นตัวงตัวถ้าว่าตัวงตัวก็เต็มที่แล้ววางนั่นเลยนะจึงไม่มีไม่มีการประฐานที่มันเป็นอาการวิจิกิจอาการวิจตธรรมคือทําก็ติจเป็นไปในเดียวกันแล้ว นั่นจึงมีปัญหาแต่ตายท่าอะไรก็ตามเพรที่เหตุถูกคอยชนตกต้นไม้รถคว่ำตยายด้วยแบบไหนก็ตามไปมันไม่มีปัญหาปกติกด้วยนั่นเลยอย่างที่ท่านเข้าสมาธิต่อวันตอนนี้ผ่านนั้นท่านทําตามอัตยาัยของท่านต่างหากไม่ใช่ว่าท่านไม่ทํานี้ท่านจะไม่บริสุทธิ์ท่านจะบกพร่องในความบริสุทธทิ์ของท่านอย่างนั้นไห ไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอันนี้เป็นสมมุติจากผู้ริขก็เป็นตรงตรงเป็นศาสตาดานคำมันคําว่าศาสาดานไม่ใช่จะขึ้นบนธรรมานั้นถึงจะเทศถ้เป็นภาษาเราก็เรียกว่าหน้าโมตตาแล้วที่ว่าเทศศาสตราดาทุกผ้าอการ ท, ที่เคลื่อนไหวทัระองคงนั้นยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์ได้ทั้งนั้นเป็นคติทั้งหมดนะนี่วาระุดท้าที่จะเถเดชปริยภานก็ทรง ข้าชาญมีหมายถึงว่านี่ก็เป็นศรราสตาวาลสุดท้าย <c oughs> ผู้ที่มีภูมินี่ยังมีอยู่มากมายพระสาวกน่ะากาดตั้งหลายผู้มียภูมิที่จะเป็นไปอย่า ง, งพระรพุทธเจ้ายังมีมากพระองค์ก็ทรงเสด็จให้ให้เห็นเป็นตัวอย่างคนง่ายๆนะออืเข้าวปฐมชาญพุทธิชาญตัตเตียชาญปตุลาชาญนาอากาศชาญนาวิญญาจาญนาอจินจนาเสศญาชาญนาข้าวัญญาเวทแต่นิโรดดับสงบหมด เนี่ยที่พระรูปไหนไม่ถามพระนุทาที่ว่านี่ไม่ใช่พูดิ่ิบาลีพานเหลือนะผมก็ลืมคี่ถามมันยังนั่นบาลีถามพระนรุธพระพระอะไรบาลีเอ้ยยังว่ากาลังกระทาบิดทีนี้รวดพาอป่ะเงี้ยนะมป็นอยางไรที่ตัวเทยตัวรดนะนี่ นี่แหละท่านนี่ เ, เราพอพูดได้ท่านจะคุนว่าศูนย์ไม่ศูนย์นะเราพูดตรงนี้เราพอพูดได้จิดธาตกิตที่บริสุทธิ์นะถ้ามันมีสมมุติมามาเกี่ยวข้องนี้จะพูดไม่ได้บริสุทธิ์ก็อย่างเนี้นี่พอมีสมมุติเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ธรตุกิตที่บริสุทธิ์นะข้าวปฐมฌานนาทา น, น, นข้าวคือพิจารณาตัติยฌานกัตติยฌานลูกฌานสี่ แล้วก็เข้าวอรุปรทานสี่อาการสารยาเยอ้จนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตัยโรดครับอย่างนั้นนี่เหล่านี้สมมตุติทั้งนั้น่งธรรมะสมมติพูดง่ายๆนะไม่ใช่โลกสมมติธรรมะสมมติธรรมะวิมุติธรรมะสมมติพูดง่ายๆนะจิตที่บริสุทธิ์นั้นอาศัยธรรมะสมมติเนี่ยเข้าอือนี่เข้าฌานนี่เข้าชานาชานี่ผ่านผ่านนู่นผ่านนีต่ต้องรู้รู้รู้ความรู้อยู่อันนี้ก็รู้ แต่ไม่มีอนาพสิงก็พูดไม่ถูกพูดไม่ได้นะที่พอมีภาพจริงนี่นเขาปฐมฌานแล้วน่ะ<อ>นี่คารุติฌานแล้วนี่คาตาาติฌานนี่จะฌานได้เข้าไปพักสัญญาดีเทนสัญญาเว ท, ย า, เวทย า, ายติโรดออกนั่นก็ย้อนพระกิจลงมาจนมาะทั่งถึงพระกิจบริสุทธิธรรมะธาตุธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับอสมมติธรรมเหล่านี้นะ<อ>นี่พอก้ากนอีกแล้วฐานนี้ออกตรงนี้รูปฌานสี่เช่นเป็นสมมุติธรรมก็ไม่ไป อาลูกประชานสีจริงๆเป็นสมมติทำนี้ก็ไม่ไปน่าอยู่นะออกนี้ปริพานแล้วที่นี้ไม่มีที่พลาดพิงแล้วพูดไม่ได้แล้วนั่นพูดไม่ได้ที่เฉยไม่ใช่ซุ่นพูด <laughs> ไม่ได้ที่เฉยคือไม่มีอะไรพลาดพิงออเข้าวการนี้อะไรที่พูดเนี่ยนั่นนะพ่ะสีของมา่าอือมพระรูธารู้หมดเพราะท่านเจ๋งในทางนี้นะพระรูธาเนี่ยอือ กิจพระกิจไม่ใช่ครับองตามเขาเด็กเรื่อยอย่เลยตอนไหนก็ตามรู้ตามอย่างถ้าเราต้องเข้าฌานมันก็ดูอย่างนี้ก็รู้อย่างว่ามันทำงานช้า น, นี่แหละพะพอพ้อนตั้งทำมาสมมุติทุกถึงทุกอย่างแล้วก็เป็นเป็นมิมุติแล้วก็เลยทีนี้ไม่มีอะไรพูดแล้วคือพูดไม่ได้ไม่ถูกไม่กล้าจะพูดพาดิงกับอะไรอันนี้ผ่านแล้วเท่านั้น ตอนนี้พูดได้กับนั้นนั่น น, นั่นแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์เทพในเทพมันเรื่องว่าจิตนี่ไม่มีอายุนี่ก็รู้สึกประทับใจดีผม<น>จิตเนี่ยอกิเลสไม่มีอายุอ๋อรูนสึกท่านนึกถึงตอนนี้ท่านกุลุบาลีนั้นว่าใจของขนก็ไม่แก่เหมือนกันอืม ข้อน้องที่เข้าใจว่าคําว่าสลบกับธรรมะสังเวกเวลาที่ได้มีเมื่ออะไรที่เกิดขึ้นกับเหตุการณ์าำคัญสำคัญนะครับธรรมะสังเวกเกิดขึ้นกับพระอรหันต์เนี่ยเพื่อนี้คือหมายถึว่าขันกับเพื่อนออ๋อขันกับเพื่อนก็กับเพื่อนนี่เพราะอะไรเป็นเหตุปัจจัยครับผมมีอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยเรื่องอะไกับเพื่อนก็ คือขันนี่กับกับสิ่งที่สัมผัสที่ให้เกิดความทังเวดมันกระทบกันอืมอ่านี่แหละทั้นั้นอส่วนที่จะให้จิตอันนั้นมากระเพื่อมมันไม่มีฮ่าฮ่่าชากรละทันานหลวงพ่ อ, อมไม่มีไม่มีเลยมีแต่อาการเวลานี่ความขันอยู่ขันนี่ก็ขันกับอันนั้นนะสัมผัสกันทั้งนั้นกระเพื่อมขึ้นมานตรงมันทำมาสังเอชทั้ง น, นั้นกระเพื่อมนี่ต้องทบกระทบไกรักด้วยอืมนีม่แหละ คนนั้นเองท่านังเวชความสังเวชของพระอรหันต์ไม่หนึ่งเหมือนความสังเวชของเรามันผิดกันนี่ก็ดีนะแต่ก็ไม่ทราบจะเอาอะไรมาพูดก็เลยแล้วเอาสมมติที่มาพูดสังเวชขึ้เนี่พวกเราเลยเอามามัดคอเราอีกว่าพระพระอรหันต์นี่เหมือนเราหวาไปอย่างเงี้ยเราผมก็ใเย็นใจวาเอความสังเวชสมก็เหมือนกับการหัวเราะของพระอรหันต์เรานี่นะพระอรหันต์หัวเราะกับเราหัวเราะมันผิดกัน ไม่ใช่คนก็ไรเป็นอย่งพูดที่เจ้าใช่ไหมยิ้มยิ้มพระโอษ์พระยิ้มพระโอษฐ์มีเหตุมีผลทองโพงนี่ถ้ายิ้มธรรมดาก็เป็นอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่ว่าพูดที่เจ้าจะยิ้มไม่ได้หัวเราไม่ได้นหัวเราได้เหมือนกันแต่ทรงยิ้มโดยเหตุผลอะไรนี่มีหนักต่างหากเนี่ยไม่ใช่ว่าพูดที่เจ้าจะไม่ยิ้มรงยิ้มเหมือนกันพูดเหมือนกันหัวเราเหมือนกันนั่นแหละแต่ธรรมดาธรรมดาเราท่านเหล่านั้น ชาวโกทั้งหลายเหล่านั้นไม่ไม่ไม่แพ้เป็นคนโง่เป็นคนฉนาดอะไรที่แสดงมามีเหตุมีผลยิ้มออกมาด้วยมีเหตุผลเป็นต้นเหตุก็ยุดหยุดตาไปพระองค์ทรงยิ้มพระโอษฐาตากรดอย่างนั้นนั้นนั้นมาไปถ้ายิ้มธรรมดามันเราพูดสนุกกันนี่มันจะไป อ, อะไรมันก็เป็นอีกอย่างเข้าใจไหมท่านท่านคุณมันเป็นอย่างนั้นมาเวลาทรงแสดงเป็นนิมิตความยิ้มนี่ก็เป็นนิมิตอันหนึ่ง ออกมาโดยเหตุผลที่ควรจะยึดเป็นหลักก็ออกมาแต่ธรรมดาก็เป็นอีย่างไอความกระเพื่อมของขันนี่ทั้งก็คือทั้งสังเวยนนัน่นี่คมมากครับผมไม่เคยนึกถึงเล ย, เ ค, ยความกระเพื่อมของขันนั่นแหละแยกออกมาขันเพราะนั่นกัสมมตินี่กับสมมติ ม, มตันกระเทบะขันปั๊บแยกออกมารแล้วท่านั้นแหละท่านแยกปหาเนี่ยไป ตอนที่เรียนอยู่ยังเข้าใจอยู่ว่าพระอรหันยังสังเวชเราก็เข้าใจคำว่าสังเวชนันก็สาดใส่ไม่ได้ไม่ควรขันมันกระเพื่อเทียบมันก็เหมือนกับอะไรคนเล่นนิเกถึงบทหัวละหัวละบทล่องให้กับล้องไห้แต่คนล้องไห้ที่เขาเล่นนิเกอละครนั่นไม่ได้โศกเศร้าเอาหัวเงินยังเราเองว่าผิดกัน นั่นเป็นเป็นบทเล่นเฉยๆอันน okay. well ี oh, Aye, okay. okay. um, ้เ็นบทผิดเล่นในสมมุติหรือว่าในชาติสมมุติเฉยๆเหมือนเหมือนกันนั่นแหละเพี้ยนชาติในสมมติองค์ท่านเองไม่เปลี่ยนใช่ตามสมมุติอาศัยสมมุติแต่ว่าไม่อาศัยกิเลสอือใช่เะนั้นท่านไม่มีแล้วมีคําว่าไม่มีนี่ถึงจะทําให้มีก็ไม่มี ถ้าหมดแล้วมันก็เป็นในฐานะเหมือนกันเรืนโกรธตรงนี้นะก่อนเคยโกรธคมนางำกิเลสที่นี่กิเลสไม่มีทำท่ากับทำท่าอย่างนั้นไม่ได้โกรธจริงเห็นที่ดุนี่จะเอาเป็นแผลเป็นผาแล้วขนาดนะก็เป็นเป็นด้วยพลังของธรรมตางๆแต่มันไม่ใช่พลังของกิเลสมันผิดกันนีะฮึมคือกิเลสมันก็มีพลังของมันมันเป็นแสดงของมแสดงความโลภกัดโลภเต็มที่โกรธเต็มที่โลงเต็มที่เป็นพลังของกิเลสทีนี้เวลากิเลสมันหมดไปแล้วพลังของธรรมเข้าแทนที่หนึ่ พลังของจิตพลังของธรรมแต่ก่อนเป็นพลังของยิ่งเล็ดดันจิตที่เป็นพลังของธรรมกับกจิตเป็นเดียวกันกับพุ่งออกมาพุ่งออมามพูดให้ถึงเหตุถึงผลเหมือนกับกดุด่าว่าเก่าวเป็นฟื้นเป็นไฟยปทีนี้มันมแล้วมันไม่ใช่พลังของยิ่งเล็มันเป็นพลังของธรรมเ<ม>พราะฉะนั้นคนจึงเอาตะก้านมาัดคอยลานี่ไปดีนะโอ๊ยนี่นั่นยังดุนี่นนไหวอีกแล้วพลังของธรรมปังหาไม่ใช่พลังของยิ่งเล็ มันผิดกันตรงนี้ลงมันหมดแล้วจะเอาอะไรมาโคตรหรืจะทําอะไรมันก็ไม่มีมันหมดอะไรประมาณนี้นั้นจะเรียกว่าหมดได้ไงเรียกตัวหาได้ทะเรียกว่หมดยังไงหมดก็หมดอย่างนั้นมีแต่พลังของธรรมที่พุ่งพุ่งพุ่งเต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มทำเต็มตามความตัดความกินการพูดมีหนักเน่นตรงในที่คนเน่นคนหนักหนัก มันเกินว่าอะไรปัจจุบันนี่อย่างพ่อแม่ครูอาจารมั่นอยู่แล้วผมเห็นทีแรกแต่ทั้งๆที่ผมก็ตั้งท่าว่าถ้าสอบอาถรรพ์หาท่านนว่าท่านนิสิตเด็กหน้าผ้าดีไม่ดีท่านถูกไล่เลยเราเออเรานี่แหละองค์หนึ่งว่านั่นเลยนะเราหาอาจารย์อย่างนั้นเนี่ยหาอาจารย์เด็กๆหน่อยเอาถ้าถูกว่าถ้าถูกท่านขับก็ให้เรานี่องค์หนึ่งว่าท่านขับเพราะเหตุผลกลไกอไร ขนาดท่านจันมั่นนี้เราได้เคยได้ยินชื่ um. อกิจสัตว์อยู่มาตั้งแต่เราเป็นเด็กจนมขั้งป่านนี้ท่านจะขับนนห playground. นีตีส่งคนโดยหาเหตุผลมาได้โดยอารมณ์นี้มีหรอเป็นไปไม่ได้นั่นนะเราเชื่อตรงนี้นะเราจะต้องไปหาท่านในเรวันตายจริงตายก็เปี้ยงจริงโอ้โหมันยังมันกล้าหาขนาดนั้นมันตังกลวเนาะว่าไมันก็กลัวก็มันก็กลัวเพราะกิเดสมันก็ต้องฝังว่าท่านดุนะอ๋อ กานเวลาอยู่กับท่านนานๆจิตแล้วก็ประกอบของเราตลอดเวลาเนี่ยปรับปรุงทางนี้ปรับปรุงทางนี้มันเรื่อยๆจิตมันก่อยอ น, นั่นก็ไปก็ต่อไปนี้บางทีมันยังพูดสนุบด้วยครับเห็นท่านดุหักแหลก่นี้นะเปี่ยมเปี่ยมบางทีท่านหันหน้าแล้วนี่ดุพาวนี่เปี่ยมเปียมพอมีองค์นี้ขึ้นมากลับเรียนเรื่องอะไรท่านกหานหน้าพูดกับองค์นี้ธรรมดาธรรมดานะเอออย่างนั้นนะอย่างนั้นนะอย่างนั้นนะพอเสร็จแล้วกลับมาเปี่ยมเปี่ยมอย่างนี้มันดูวัดไปอย่างนั้นนะ ถึงเวลาเปียงเปียก oh. เพราะหันวันนี้ไปอีกแบบหนึ่งเห oh. มือนไม่เคยดุเลยนี่นะ oh. เพราะหันมันนี้ก็เปี้ยกอีกเละเห <laughs> มือนกับวล ง, งานนี้ยังไม่เส็จชุนงนะ่า <laughs> ยงานสับยำยังไม่เสียของวา่างแ้วสับไปก่อนเมือนเราสับย่ามรา oh. บยำรา บ, มบ <laughs> ไม่ได้โกลัให <laughs> ้ลาบแต่สับยำหนันีดูยากอือันนี้ก็ต่ อ, ต อ, ตอไปพอจิตของเรามันก็ข้ระดับที่ควรจะเชื่อถึงนี้ได้แล้วนะ <laughs> มันโอ้โหที่นี่ไม่ได้นะั่นเ หายสงสัยว่าท่านท่านดุด้วยชีเลต น, นะหายสงสยยัยจริงๆนะไม่มีอ๋อแล้วนี่เวลาท่านดุใครต่อใครยิงเห็นอ๋อทำท่าแ น, นั้นอันนี้บางทีพูดอย่างนี้เนี่ยก็มีนะผมนะแคว่าขนองปากหรือเป็นกรรมของผมูยอมรับนะแต่เราไม่ได้ถึงใจนะพูดแล้วก็พูดด้วยความรักท่านด้วยความเคารพรำสายท่านทางอ่าง น, นี้นะที่เราว่าออแก็ทําท่าแาบนั้นแหลวะวันแต่ก่อนเรากลัวบูเพื่อนกลัวจะตายนี่เราก็หายกลัวแต่คำว่าหายกลัวไม่ใช่เราดื้อ น, น ะ, อะคือเรายอมรับพูดอย่างไรนะ เราหายกลัวด้วยความยอมรับท่านว่าเป็นธรรมทั้งแท่งปุ๋งง่ายวางงันนี่เวลาท่านดูใครในยังไม่รู้เรื่องเวลาเอาแหลกเหมือนกันนะเปรี้ยงเปรี้ยงโอ้จะทําท่าอย่างนั้นแหละไม่มีกิเลสตัวดุนี่กิเลสตัวไหนจะมาให้เป็นความโมโหโนสูจะ อ, อะไรมาเป็นความโมโหดูดูได้จะไม่โกรธเนี่ยทั้งดูทั้งโกรธก็มีเนี่ย ดุได้แต่ไม่โกรธนี่เป็นอย่างนั้นถ้กิเลสไม่มีก็ไม่โกรธถ้ากิเลดมีทั้งดุทั้งโกรธนี่ย ม, มันเอาไว้ไม่อยู่เลยมมันไปคว้ากันนั่นแหละถ้ากิเลส ม, มีมันกับกิเลสพาดดุเลยอย่าว่าอย่ากิเลสจะไปทําหลังความดุเลยกิเลสนั้นไปก่อนเนะี่ยถ้ากิเลสไม่มีแนละ้วมีแต่ทำพุ่งออกเลยปัญญามันัแยกไม่ออกยัคงคนดูเนี่ย คนดูพ่อแม่ตีลูกอาจารย์ดูสิิเลยเนี่ยเราปัญญาไม่ถึงนันึกว่าท่านก็จะต้องใช้อันนั้นยังต้องใช้อารมณ์อยู่นี่พอม า, อาได้อาอธิบายมความแม่ยังมีกิเลสก็มีส่วนอยู่บ้าง อ, าอันนี้ส่วนนี้มีอยู่บ้างคว<อ>ามรักมันรักนะคว<อ>ามถือว่าลูกลูกดูกดาว่าเก่าอันนี้มีส่วนใหญ่แต่ความ ความมโหตัวโสมมันก็มีเพราะที่เหลมีอนยะู่นั้นยังไงี่เลสมันต้องออกมาทํางานจนได้ล์ออกมาทํางานด้วยจนได้ถ้าไม่มีจริงจิงแล้วมันก็รู้ได้คดัดทำไงมันก็ไม่มีดูเป็นเป็นพืนเป็นไฟมันก็ไม่มีมีแต่ลมแป๊บแป๊บแป๊บไม่มีอะไรที่จะมาเสริมมีแต่พลังของทําพุ่งพุ่งพุ่งความหมดเรื่องที่จะพูดแล้วมันก็หายเงียบไปเลยก็เหมือนไม่มีแหละ ดูเปียบยงกเหมือนก็ไม่เคยดูเพราะอันนี้มันไม่จะเป็นอุปทานว่างประตานผนแล้วพอหมดแล้วมันก็ขาดไปเลยันเหมือนกับเรามีดฟันน้ำเนี่ยเพราะยกมีดขึ้นมามันก็หายเนี่ยอ้โหตือนแค่ ม, ม, มีร่องมีรอยความหมายนะครับ ข้อผิดนี้ละเอียดมากนะท่านโยกุลละเอียดมากคือยอมถ้าไม่ใช่วิชาภาพทำวิชาธรรมเรายังไงก็ไม่มีทางตื่ได้เลยนะเกิดจิตเป็นจิตน่นะมันจะหมอ อ, อกหมดทั้งล่างเนอกจากนั้นแล้วพอล่างสลายบมดั๊ก็ความรู้นี้ก็หมดความหมายตามๆ่ันจะเป็นอย่างนั้นเราจะพูดร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านนะ เขาทำเป็นประกาศถิธเหมือนการปฏิบัติอันมันจะเป็นไปไม่ได้รู้จิตเป็นจิต้าเป็นภาตุธรรมเป็นธรรมจิตเป็นจิตทีนี้เราก็เราจะเริ่มรู้ตั้งแต่จิตสงบนะจิตเป็นสมาธิมันจะเป็นเชื่อให้ให้เกิดความรู้นะรู้ว่าเป็นเชื่อให้เกิดความเชื่อว่าจิตเป็นจิตมันมันเป็นเชื่ออันความจิตสงบแล้ว มันจะตะล่ำของมันเข้าไปนี่กระแสของจิตมันจะมันจะหดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาเหมือนกับเราตากแหไว้ฝ่ายหญ้ารานหญ้านเรามองไปมันจะไม่เห็นเพราะตากเพรามันบางที่พอจับจอมแหดึงเข้ามาดึงเข้ามาขึ้นมามันจะรวมตัวรวมตัวเข้ามาจนเป็นก้อนแหกองแหามาลางไว้กองจุดกองนี่กระแสของจิตมันตะล่ําเข้ามาพอจิต สงบแต่วความรุงเราอเข้ามาเข้ามาแล้วมันจะจุดนี้จะเด่นขึ้นจุดความรู้นี่จะเด่นขึ้นขึ้นเหมือนกองแหอือ่เด่นขึ้นขึ้นตอบแล้วพอจิตเป็นฐานแล้วมีฐานเปของตัวเองนี่ลักคำชี้ว่าจิตเป็นสมาธิตามความรู้สึกของกลางภาพปฏิบัติหรือตงผมเองนะจิตรวมเป็นข้างเป็นคาวนั้นยังไม่ได้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิ เรียก ว, ว่ากิดรวมกิจสงบนี่พอรวมหลายครั้งลหลายหนแล้วมันสร้างฐานขึ้นมาในตัวทุกข์ขั้มทุกระยระรืะยะจนกลายเป็นจิตแน่นหนามันคงในตัวเองอทั้งทั้งที่เราคิดอ่านแต่ตรองไม่ได้เข้าที่สมาธิภาวนาก็ตามน ะ, ะความสงบนี้มันจะเป็นตัวของตัวมันอยู่นี่เป็นพื้นฐานแล้วนี่น ะ, ะเราคิดเรื่องอะไรก็คิดได้สบายๆพอย้อนเข้ามาสู่ขณะนี้เราจะเห็นฐานแห่งความมั่นคงของกิตแน่นเตึองอยู่ภายในตัวเองนี่เพราะว่ากิตเป็นสมาธิคือสร้างฐานขึ้นเป็นของตัวเอง นี้พอสงบก็สงบอาการนั้นเข้ามาสู่ฐานอันนี้อาการงุ่งคิดต่างๆนะเข้ามาสู่ฐานนี้พออยบนี้ก็อาการกวใ ช, ใช่แต่ฐา น, นนี้ไม่รักตัวเองนี่ผมเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่นี่อที่เราจะเริ่มรู้ว่าเนาะคือเป็นอย่างนี้แล้วนี่เป็นธาตุเป็นขันเขาจะเริ่มรู้นะแต่ไม่ใช่เต็มไม่เต็มเลย น, นะมันมันเริ่มเริ่มจับเมื่อนได้แล้ว อันี้พอกล้าเข้าสู่ปัญญาปีนี้ก็ยิ่งละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนก็ะทั่งถึงปัญญาขั้นอุตมมัตแล้วทีนี้เอาล่ะทีนี้นะอืมอเรื่องความเชื่อของปีอันนี้นะปีกับวิกับวิริที่มันพันกันอันไหนที่ตัดไปแล้วอันไหนที่ยังมันรู้มันรู้อยู่ที่นี้นะมันวงเข้ามาวนเข้ามาวนเข้ามาแค่กมาที่แล้วมักว้างขวางไม่หน้าอะไรกว้างขา พอมันเข้าใจแล้วมันตัดมาแต่งมาปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาเย่นเข้ามาย่นเข้ามาวงแช่เข้ามาจนกระทั่งถึงขันนะรูปประคันวิทนานั้นาทั้งขาทั้งานขันนี่มันพิจารณาเสร็จแล้วมันแยกออกแยกออกแยกออกเข้าไปสู่จิตนี่ที่ผมคอยพูดในวิชารวมตัวนะ่ะในหนังสือก็มีแคบก็มีกันนะมนี่เป็นคาข้าวอริยานจริงพรามันเมื่อมันรุ่งจริงแล้วจะทําให้งานถะ้ามันติมก็ไม่ติดถ้าพิจารณามันก็ไม่ยอม เมื่อเราอิ่มแล้วจะกินอะไรอีกความหมายว่างั้นนะที่ไหนที่ยังไม่อิ่มมันก็นั้นแหละจิตมันดุ่งอยู่นี้อันนี้ยิ่งคัดชัดตึงว่าจิตอ๋อจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้นัในความใสของจิตดวงนี้ความสว่างของจิตดวงนี้ความหวานรทาดวงนี้ไม่เหมือนจิตดวงไหนคือไม่เหมือนจิตที่เคยเป็นมาเป็นมาเป็นมาความละเอียดต่างกันมากมากมากเข้ามาโดยลำดับลดับเรนนี้เป็นาการเท่านั้นแหละท่านทุก เป็ น, นการจะเรียกว่าเป็นธรรมะจิตซะเลยได้นะครับได้ถ้าใ<อ>ช้ลงถึงขั้นจมที่นะี<อ>้ผมก็พอถ้าบันทึกแล้วเมื่อกิเลสมันรวมตัวของมันแล้วมันก็จะเป็นก้อนนึงอยู่นั่นน่ะที่ว่าปิดผ่องใจยังอะไรประทาดระเรามิดาพิเเวหรืออะไรที่ว่าอย่างนั้นด้วยกันไม่รู้หลายอเดิมแทบ เป็นประพัทสอนประพัทสอนนี่นี่มีหละยทีคนพวกนักปราชญ์เราถกเคียงกันผมก็เคยทกขเคียงกับหมูวันเหมือนกันแต่กว่าก็ทกเคียงแบบเราแบบหลับตาชนกันเลยมันไม่ลืมตาชนกันหลับตาเคียงกันหรืว่าเราติดของใส่ติดแช่ปราษา์ถ้าเป็นราชมันเกิดทำไมแล้วยุ่งเลยหาคำตออไม่ได้เหมือนไข่ข้าไป่เแหละเพราะไม่ใช่ภาพปฏิบัติ พี่พอใช้ภาคปดิวันนี่นอกจากวันของใสแล้วมันยังเลยอีกนี่พอเข้าจุดของใสแล้วนี่ไที่นี้อริชารวมกลุนแต่เราไม่รู้นะตอนนั้นนะเราไม่รู้เหมือนกับว่าทํารวมตัวที่ท่านว่าโอภาสแห่งระหว่างอะไรในคลิปไอ้คลิปหกมาละโอภาสสิโอภาสสิอะไรมึงบอผมก็ลืมลืแล้วเดี๋ยวเนี้วิปัสสนูเออวิปัสสนู โอภาสปัสสติปีติโอปาโสปีติปัดสติเข้าร่วมเข้าร่วมเข้ารเ้าของพขาถึงเข้าถึงตัวจริงจริงเนาะมันโอปัญญานี่ก็ว่าเพียงไกลเนาะมันงงได้่หม่ะยังไปเป็นอุปกรณ์รักษามันจนงบ้ นี่ถึงว่ามันละเอียดขนาดนี่เอาแต่รัฒภาจิตตรนี่น่ะมันละเอียดละออมันผ่องมันใสมาอะไรมันทําให้อ้อยอิ่งทุกอย่างนั่นแหละอืมนี่หมายถึงว่ามันเป็นภาษสอนของกิจที่ชําระได้นะอแล้วกันที่นี่พอพออันี้กระจายตัวงไปเมื่อเศรษปัญญารู้ทันมันแล้วกําหนดเข้าไปตรงนี้มันก็เหมือนกับแคปฮาวะธรรมหลายมันก็เข้าใจเหมือนกันปล่อยเหมือนกัน แต่นี่มันไม่เทียงมันปล่อยเฉยมันพังเร อ, อยอ่างนี่อ๋ออืมกระจายพึ่งเดียวทั้นั้นหมดขนาดเดียวทั้งนั้นเพราะวนั้นหมดไปแล้วมันเล็ไอที่ว่าของใสมั น, นกลายเป็นกองขี้ไฟทับกับทองคําทั้งแท่งไว้ข้างล่าง น, น, นั่นพูดง่ายว่างั้นนะอืมว่า น, นี่จริงๆรู้ว่าเต่งไหมอวิชาเต่งไหมหนั่นทีนี่ <S <S อโอ้โหขนาดนี้เจะเหลือหลอกเกินได้ขนาดนี้เจะเหลอ อพานั้นพอถึงนั้นแล้วมันพูดไม่ถูกเลยที่นี่อาจารย์รรมันเกินคาดทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เลยการเป็นกองขี้ควายทั้งกองไปเลยอื อ, อ, อชหโสลดทั้งเวทน้ำตาลล่วมนั่นเห็นไหมมันก็เป็นได้นี่ในขนาดที่มันมนั่งเข้ามาแล้วอ๋อหาทำหาที่ไหนทําำที่ไหนที่เหนที่ไหนนะอ๋ออวิชาอวิชาหาอวิชาที่ไหนเหมือนเสือโคร่งสเสือดาวที่ไหนวอวิชาแเ้าแทบอ๋อขี้ควายทับทอง <c oughs> <c oughs> ง่าย <Jana> นี่แหละที่นี่ที่ว่าจะเกิดดีหรือไม่เกดิ uh huh. กดดีที่นี่ hard ขนาดไหนที่นี่หมดเครื่องสืบต่ออะไรทั้งหมดแล้วที่นี่หมดไม่มีอะไรสืบต่อแล้วทูกสึ่งทุกอย่างจะมีมากมัน ม, ม, มากมันก็เป็นเรื่องของเขาของเขาเลยมันไม่มาม า, มาติดมาต่อแต่ก่อนมาสูตรท่าคือเอาวิชาได้เป็นอันนี้กันอยู่นี่ ม, มันนี่จุดให้จัดอยู่นี่ <S <S อ, อืพอนี่กระจ่างปล้วมันหาจัดหาจุดจัดไม่ได้ ไม่มีไม่มีที่จับไม่สงสัยที่จะจับอะไรน่ะพูดง่ายๆนะมันไม่สงสัยด้วยอ๋อเนี่ยทีนี้อันนี้เลยเมื่อนี่แหที่ทําให้ย้อนถึงเรื่องของพระพุทเจ้านะเท่าเมื่อพองจักรู่ใหม่ๆนั้นทรงทอดพระทัยในการสอนตัดโลกก็ทรงเห็นม่า น, นี่เป็นของอาการเกินธาตเกินหมายเกินโลกเกินนงสายเกินวิสิปัญญาของตัดโลกออมาจะรูดตามเมนําได้ก็มาเป็นที่นี้จะทํำยังไง ทรงท่อปลาไทยอในเมื <burnout> naden, so ่อปรากฏรดนี้ที่แรกนะถ้าพูดภาษาโลกแล้วว่าตื่นเต้นอะไอย่างเงี้ยว่างั้นเถอะน้อยภาษาโลกแล้วเรียกว่าตื่นเต้นเพราะยังไม่ได้พิจารณาแยกออกมาตอนนั้นทีนี้กันเวลาพิจารณาเมื่อเป็นถึงขนาดนี้จะไปสอนขายได้นทรงทำทางขวาน้อยคือนี้ก็มันก็ย้อนภาพกันนี่ถ้าหากว่าสอนขายไม่ได้แล้วว่าอันนี้เป็นสิ่งที่สูนย์กรแสของโลกแล้วเรารู้ได้ยังไงนเรารู้ได้เพราะเหตุไหล รู้ได้เพราะปฏิบัติธรรมเพราะการ น, นั้นเมื่อ น, นําฏิบัติ ท, ที่ไปสอนเขาทำไมจะรู้ไม่ได้ทางมีอยู่บันไดมีอยู่สอนมาที่คาดมาที่บันไดหลวงปู่แล้วะอ๋อทรงมีเกียรติพระไทยที่สั่งอนสั่นโลกขนาดขวาก้าวที่ออกปฏิบัติธรรมรู้ได้เพราะเหตุนั้นนั่นก็อ๋อได้เหรอที่นี่นนอ๋อที่นี่คือตัวคระพรมเนี่ยอ๋ออันนั้นก็เป็นทั้งเด็กองมากับผมมาจต่โรการอะไรอย่างเงี้ย แล้วมีแข่งพระไทยที่สอนสั่นโลกชุดอันดับที่สองก็เป็นพมมาจารอกาเพียงเลอกอย่างนั้นตัวเท่าหนูมันก็เป็นเหมือนว่าพุทธิเจ้าเลยตัวเท่าหนูนี่ก็เป็นเวลารากฏขึ้นมาแล้วโอ้โหทีห่ไปสอนไขไปสอนไขก็จะว่าบ้าแน่อืขนาดนี้ถ้นนาจะไปสอนไขแต่จะรู้เปลี่ยนได้ มันสูตรที่ใส่ ก, ก็ไงไจะรู้ได้ทั้งไข่เขะว บ, บ้าอยู่ไปกินไปพอถึงวันตายแล้วตายซะเลยสบายดีจนนานอะไรนะนนฝ่าอยเฮมันมันยอนในที่มันย้อนเจ้าของกันี้ก็เมื่อเป็นนั้นว่าโรคเราเป็นใครไม่ใช่โลกเหรือแั้นเรารู้ไดู้่าเหตุผลบนกายอะไรอืมถ้าใครจะไม่สามารถเล่าความสามารถมาจากไหนแล้วด้วยเหตุผลบนกายอะไรนักคือพอยอนมานี้ พอกข้อการปฏิบัตินั้นก็เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนํำข้อปฏิบัติด้วยวิธีการที่สอนทําไมใครจะไปรู้ที่อรยสอนอย่างนี้มันกันหนาทื่อวิ่งไปนั่นแหละเรื่องมันจึงก็ขยายออกขี้คาดออกไปถ้าจะมาดูแต่วงปฏิบัตินี้ไม่ดูเหตุดูแต่ผลอันนี้แล้วก็อย่างว่างทาให้หดได้แต่นี้ผลก็เหตุมันเกี่ยวเนื่องกันนี้มันจะไม่พูดได้ไงมันไม่จะไม่วิ่งถึงกันได้ไงก็ต้องวิ่งดินอยู่ด้วยดีอะแต่ว่าขนาดมันมันหยุดกึศมันก็คึกทุกมันนะแต่พอเวลามันก็จะขยายขยายมันไป รู้ได้ด้วยเหตุนั้นนั้นก็เมื่อสอนนั้นนั้นทำไมจะรู้ไม่ได้หรอนี่หูเปลีป่ยนไมน่สลับซับซ้อนมากจริงๆละเอียดละเอียดมากเนี่ย ทกันมานานก็่งก้นทั้งพูดทั้งเทกวันนี้ก่อมันเลวยังไอ้สารวัตรน่ะยังเนอะังาวโ่เขาเอาเต็กกงไปห่าน่นห่านี้บ้านเชียวตะวีน่ะเขามาเกับกงยังไม่ได้เงียบเลยพยายามแนะนำต่างสั่งหมู่เพื่อนผมว่า ก่อนขนาดไหนพอสะเก็ดสะการได้ผขาก็สะเก็ดสการอย่างนี้เลท่านจุกุลถ้าธรรมดาของผมแล้วมันอย่าเล่นกับอะไรในะทุกวันนี้เห็น mm hmm. แขฉเห็นคนก็มานี่คือธาตุขันที่เราทรงอยู่ของเราเนี่มันความเหมาะพอดีกับคอยแต่จะสุดอยู่อย่างนั้นนะนี่เวลาภาระเข้ามาเพิ่มเรื่องนั้นเรนื่องเพิ่มคนนั้นมาหาคนนี้มามันมันเหมือนกับ ม, มากดลงกดลงนะแต่ก็จะทําไงเราคิดเห็นใจเขาใจเราเทียบมันแล้วกับเสือกานอยงนั้นแหละสะเก็ดส ก, การสมความกันไป มอ ง, งคิดนะถึงครูบาอาจารย์แต่ก่อนเราไปมองเห็นท่านเหมือนจะไม่กระพริบตาเลยมองดูท่านสันมั่นแหมมันดูท่านไม่อิ่มไม่พอนะไอ้ <c oughs> เขาทั้งหลาย ก, ก็คงเหมือนกันเราคิดอย่างนี้แหละบางวันเวลาแขกมันมากเจริงๆนี่มันสู้ไม่ไหวจริงๆก็แล้วนั่งหับตาให้เขากคลาอคือมันหมดจริงๆกําลังกระหมด<อ>พูดออกมาไม่ได้แล้วโลกนี้นจะกําเบิดมากขึ้นพูดสระประโยคนึง เอาข้ากักาบเสียแล้วลงไปนั่งเฉยพก็มากาแล้วก็ลงแล้วพวกนั่นขึ้นมาคณะนั่นขึ้นมาแล้วกล่าแล้วลงไปคณะนั่นขึ้นมาครับลไปมันพูดไม่ได้สะสมเคราขห์เพราะมันมันจริงๆ้วนี่มันจะไม่ไหลนะตายาตายข้างๆเข้าห้องทันทีเพราะเรานั่งอยู่หน้าห้องนั่นคือเรานั้นรู้เรายิ่งกว่าอะไรมันจะทนทานต่อไปได้หรือไม่ได้มันก็มีตต้องพักก่อนอย่างเดียว ว่าเป็นังไงก็ต้องทำตามมันแน่อยู่ใงทางเทศนาว่าการถ้าแฉกบนฟังเหมือนกันพูดไปเบ้งเบ้งเบ้งไ ป, ปมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาบางทีมันแยกขึ้นมาถ้ามันแยกขึ้นมาแล้นตายเลิกไปเหลืองขึ้นเนี้ยได้เลยเราก็กล่าวว่าว่าไปเลยเนี่พวกนี้เขารู้แ ล, ล้วแหละอืเขาไม่อะไระแต่ก่อนเขาก็อาจจะคิดบ้างแต่สําหรับผมเองมันไม่เป็นอารมณ์กับใคร ถ้าลงเหตุผลเป็นยังไงว่าอย่างนั้นแล้วแล้ไปเลยมไม่เคยสนใจว่าใครจะมาเสียใจดีใจอะไรอะไรถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ทําไม่ได้นี่เราคิดด้วยเหตุด้วยผลทําเป็นเครื่องปกครองโลกเนี่ยแล้วเอาหลักเกณฑ์ของธรรมนี่เอาเหตุผลนี่เขาว่าตายเลยนี่มีรูปหลายองค์ครูบ า, าอาจารย์ขงกราบนี่ผงกาบตุงเจ็ดขนนะท่านสมบูรณ์คือผู้ที่อภิธรรมปรสงค์แล้วก็กล่าบมา หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่น่ะอสมเด็จพรานกราชเจ้าคุณธรรมเจดีท่านเจ้คุณธรรมจดีนี่เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของท่านอาจารย์มั่นนะตั้งแต่เล็กๆเป็นเนีนท่านเคยพูดให้ผมฟังหลายครั้งเหมือนกัน่ให้หมู่เพื่อนฟังเราก็ได้ฟังด้วยมหาจูงชื่อสินเป็นเนียนดูท่านอายุสิบสองปีอนั้นอันไล่ฟังของเราเลยแล้วไปฝากที่กรุงเทพเน่ะ เรียนหนังสือน่ะมหาจุมเนี่ยเ้าคุณเทพเนี่ยเป็นว่าก่อนตอนนั้นเป็นเทศพท่านพูดคบขันนี้ถ้าเพระท่านพูดแบบหน้าตาเฉยเนี่ยเรีนตุลนี่เอามาไปเรียนหนังสือยะมันจะได้เป็นผู้ใหญ่บ า, า, า, างนีินะหูม <laughs> ันกลางกลางฟังหูกลางกลางลักษณะเป็นผู้ใหญ่เนี่นี่เอาใบบวชเพราะเอาไปเรียนหนังสือเครียดนะมันจะได้มาเป็นผู้ใหญ่ ม, ม, ม, มันมันนั้นนะเพราะนพูดด้วยความสนิทเนี่ยเอามันไปนั่นเสน่ห์นี่ไปเลียนือนเรอไปี้นรือพอท่านท่านก็ใอาสัตว์นอินที่ททวัดเทศนะมหาจุดหนังสือเน่าสอบตกสอบตกอย่างนั้นน <c oughs> พอกลับมากไม็ได้มาเป็นเจานา้าคณะมณฑลยูดอนพอหลีระยะ น, นั้นก็ท่านอาจารย์สาว่านอ จ, นจมั่นก็มาพัแถวบ้านคอ อำเภอบ้านผือนี่พอดีเลยโอ้ยท่านไปนี่เหมือนเน้นน้อยประหาอาจารย์นั่นแหละอืม่มอย่งนั้นเรื่อยมาท่านอาจารย์มั่นมาอยู่ทางสกล น, นี่ก็ท่านต้องไปปีละสองขนออกพรรษาแล้วขน ห, หนึ่งแล้วเดือนประมาณเดือนพฤษภาไปอขนหนึ่งเขาอยู่ลึกนี่นะเดินทางตั้งวันท่านอยู่ก็จะไปถึงนะเป็น น, น้องผือก็เดินตั้งวันะ ก่อนว่ามีทางทางมีแต่ว่าทางเทียนทางคนโดยเอามาอยู่จากจังใหม่มาอยู่นี่กระท่านจักคุณเนี่ไปเอามาอนนี้มนต์มามาอยู่ดอถ้ามันอย่างนั้นพวกเราคงไม่ได้กราบท่านเนยแถวนี้ก็จะหลังไหลที่ประกาศจางใหม่คนเมื่อวานนาก็ได้กราบไม่มีวานนาก็ไม่ได้กราบแล้วท่านจก ค, คุณทำเจะดีออกมาขึ้นที่วัดนวล น, นิเวศนี่สองปีแล้ว ท, ท่านครับไปอู้่จักคุณนครแปดปี กสิใครมีข้อห้องใจอะไรบ้างมาว่ามามีไหมไม่มีก็เลิกกันละเหลือแล้วนะอะล่ะเลิกกัน